เราจะไม่ต้องะนนมือก็ได้เหนื่อยนี่ก็เป็นวันหนึ่งปักกันตั้งอกตั้งใจฟังธรรมไ อ, ไอ้ฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่มากหรอกคำสองคำมันก็ไปได้เหมือนกันแต่ให้เข้าใจในธรรมะอันนั้น อ, อะไรมันเป็นธรรมะ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 ที่จะมารวมกันอยู่เป็นหมู่หมวดเป็นกลุ่มก้อนในความสบายในความสะดวกดีนั้นมันก็เหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นหนึ่งนั้นมันมีโคนแต่มันมีลำต้นแล้วก็มีนี่กิ่งก้านสาขาต้นไม้ต้นนั้นเกียกวกับต้นไม้จะมีแต่โคนไม่มีลำต้นมันก็เป็นไม่ได้จะมีลำต้น กิ่งงานสขาไม่มีมันก็เป็นไปไม่ได้รวมเป็นลําต้นเป็นต้นไม้ก็คือมีคโคลนนะมีลาต้นนะมีกิ่งก้านต้นไม้ทั้งต้นนั้นถึงแม้จะมีทั้งสามอย่างก็จริงแต่แต่ว่ามันไปรวมอยู่ที่คโคลนมันอนีเป็นหลักในริงมันก็ดีอนใบมันก็ดีมันก็อาศัยคโคลนเป็นอยู่เนี่ย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 นับหลายร้อยลาย ม, มากราบลงข้ออีชันันเป็นทุกข์ใจเนี่ยสุขมันก็สุขใจทุกข์มันก็ทุกข์ใจไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงกันแอ้ความไปจริงไม่น่าจะมีทุกข์นะก็เพราะมันไม่พระพุทธเจา้าทรสอนว่าอย่าทุกข์อย่าทุกข์ทุกเรื่องก็ไปสบายคือจะไปทำอย่างนั้นสิไปทำอย่างนั้นมันทุกข์ เราก็อยากอยากจะไปทำอย่างนั้นเลยมันก็ทุกข์การฟังธรรมะการประพฤติธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมะนี่ก็เพื่อจะให้พ้นทุกข์อย่างเราเพวกเราทั้งหลายมาทำบุญวันนี้ก็เหมือนการเพื่อจะบรรเทาทุกข์เพราะว่าทุกข์เท่านั้นแหละมันเป็นสิ่งที่สำคัญ นี่มันเกิดมาจากเหตุของมันคือเจติต่างลายอืบางคนก็เห็นว่าไอ้ทุกข์เนี่ยมันประจําอยู่ในใจเนี่ยอืออยู่นานแล้วใครวันนี่โยมก็ถามอาตมาที้ตอบว่าโยมมันไม่นอนเนื่องอย่างนี้เรามันเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้แต่อารมณ์ที่ไม่ชอบใจวันเลยทุกข์เดี๋ยวนี้เหมือนมะ น, น, นาวแต่ผลมะนาวนั้นเนี่ยเอามันทิ้งไปตรงโน้นน่ยมันเปรีย้ยงไหม เนมาขามเปียกแล้วเนี่ยเอาทิ้งไว้ตรงนั้นนะมันมันมันเปรี้ยวไหมมันก็มีเปรี้ยวเราเอามาแตะริ้นเนี่ยเดี๋ยมันเปรี้ยวกันเดี๋ยวนี้เองอเนี่ยมันเป็นใจยังนั่นจ้าหนี้ปัจจุบันนะทําเป็นไม่ใช่ไอ้ความเปรี้ยวมันนอนเนื่องอยู่ในมาขามเปียกหรอกนะไม่รู้เรื่องไอ้จริงที่มันไมรู้มันเกิดเมื่อมันรู้เดี๋ยวนี้นะเอาก็มาแตะริ้นแล้วก็มันเปรี้ยวกันเดี๋ยวนี้เกิดเดี๋ยวนี้เปรี้ยวมันอยู่ที่ไหนกอกมันอยู่ที่ัมปัจกุ้อง ก็เกิดความไม่ชอบ เ, เกิดกิเลสเดียวนี้นะกิเลสก็ไม่ใช่มานนอนเนื่องในใจเราหรอกนะมันเกิดเดียวนี้มิฉะนั้นไปปัจจุปนาธรรมมาเรื่องปัจจุบันธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สาคัญไม่เกินเป็นสิ่งที่สาคัญธรรมะที่เราปฏิบัติธรรมะการเรามาทาทานทําบุญสุนทานวันนี้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 มันก็ทับเราตายนั่นแหละถ้ามันมีปัญญาแลว้วก็ทิ้งมันออกแต่มันหนักอย่างนั้นมันก็เบานี่เรียกว่ากุศลอันหนึ่งเรียกว่าบุญรวมเข้ากันเรียกว่าบุญกุศลทําบุญกุศลเช่นนี้ก็เดี๋ยวบำรุงพุทธศาสนาอขององค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าของเรา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 ท่านไม่รู้ว่าใครเป็นท่านอยู่กับท่านกันหมดทางนั้นเนี่ยไม่ใช่คนอยู่นี่มันท่านท่านผู้สอนในประชุมชนประพฤติชอบหรือตายวาจาใจที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าเห็นไหมเห็นพระพุทธเจ้าไหมอย่นั้อ น, นี่ใครที่สอนในประชุมชนคือธรรมะธรรมะ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 อืบางทีเราฉันคนทุกข์ไม่ได้หรอได้ที่แต่เราไม่ทํามันแต่เราไม่ไม่ไม่ทำมันต้องมาพยายาิจานณาต้องเรียนธรรมะเอจะต้องรู้จักธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีที่เกิดนะ่ะมันมีที่เกิดมาก็ต้องมีที่ดับอืมมันต้องมีที่เกิดมันมีแดนเกิดทั้งนั้นนะ่ะลองลอ ง, ลองดูกีบทั้งทั้งหลายมันเกิดต้อเหตุนะเมื่อไรยโยมเป็นทุกข์ มันเป็นทุกข์เพราะอะไรรู้ไหมเรื่อมันเรื่อมันเกิดขึ้นม า, ล, าลอยอย่างนั้นหนึ่งเมืเ่อเย่อเมืม่อโยมเป็นสุขมันเกิดมาจากอะไรรู้หมนั่นที่มันเกิดมาอืมก่อนทุกข์มันจะลาบากไม่ใช่ว่าอะไรออดีตก็มีที่เรานั่งอยู่อะไรแบบคิดไอ้คนนั่นก็ดูถูกเราคนนั่นก็หนินขาเราคนนั่นก็อิดช้าเรานี่้ำตาต้องค่อยค่อยซึมอ อ, อ, อ, อ, อ, ออกมานะ พี่ชายก็อาศัยไม่ได้น้องชายก็อาศัยไม่ได้คิดไปก็น้อยใจน้าตามก็ซึมลงมาไงขนาดมันทําโทษจนหน้ำตามันไหลออกยังไม่รู้จักว่ามันเกิดมาจากที่ไหนบางทีเรานั่งอยู่คนเดียวหรือเดินไปคนเดียวในนึกถึงอารมณ์ที่มันที่ชอบใจอะไรต่างๆบางทีก็ยิ้มออกมาดนะอย่างเงี้ยอะไรนะั่นมันเกิดมาจากไหนไม่ได้มันยิ้มเองมันเด้เนี่ยนี่มันยิ้มเองมันหรือเปล่า นั่นทำมันเกิดพอเหตุอยู่แล้วอืมมันเป็นมันเป็นแดนเกิดอืมันเกิดจากเหตุทางหลายนั้นไม่ใช่ว่ามันเกิดมา ล, ยลอย่อยมันเกิดมาเฉยๆอืมอย่างงั้นพระองค์จึงอจ้าจี้จ้าชัยพวกเราซ้ํา้สักซากให้เราก็ไปเห็นตรงนั้นตรงนั้นไม่ใช่ว่ามันเกิดมาเในเราชิ่งทั้งปวงในโลกนี่นะ่ะมันจะไม่มีอะไรปรากฏให้มนุษย์ทางหลายทุกยากลําบากนะแต่ว่าเราไม่รู้จักมัน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 ถ้าเรารู้ถึงมันซะแน่เป็นต้นมันก็ไม่มีอะไรจะเป็นทุกข์อย่างเราเห็นต้นเป็นนี่เป็นต้นตนคือตนเราที่นั่งอยู่นี้เป็นต้นก็เรียกว่าเห็นตนกันแล้วนะนี่ว่าเราเห็นตนเนี่ยมี่เห็นอยู่นี่ขาฉันนี่มีแขนฉันนี่มีเพื่อนฉันนี่เห็นอยู่ก็เรียกว่าเห็นอย่างนี้เจว่าเห็นต้นอืมไอ้ความจริงที่ว่าเห็นตนนั่นไม่ใช่อย่างนี้ ตามธรรมะเห็นตนคือเห็นว่าตนนั่นนี่ไม่ใช่ตนนี่เห็นตนอย่างนั้นอันนี้แขนเราอันนี้ขาเราอันนี้ตัวเราอะไรของเราทั้งนั้นเนี่ยอันนี้พระพุทธจเจ้าท่านไม่ยอมว่าเห็นตนเห็นตนคือมีความรู้สึกเห็นออกจากญาณในใจของเจ้าของนั้นนะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายนี่ไม่ใช่ตนท่านเรียกว่าคนเห็นตนเห็นแล้วไม่แบกมัน เห็นงูเราไม่จับงูเห็นงูเราหนีงูพิษงูก็ไม่ตามเราไปนั่นเียว่าคนรู้จักงูนะไอ้คนเห็นตนนั่นคนนั้นอันนี้คนไม่ใช่คนเห็นตนอนะก็เพราะว่าตนนั่นเนี่ยมันไม่มีจะ อ, อะไรมาเห็นมันเลยมันไม่มีตนนี่พระพุทธเจ้าสอนไว้มีตนนี่มันฟังยากเหลือเกินนะมันฟังยาก ไอความเห็นมันกลับกันอย่างนี้ล่ะมันฟังยากดูก็ยากที่แบะคนบ้าคนบ้ากัพเพอรหลานีแยกกันไม่ออกมันเหมือนกันในนั้นนะอดูรูทีเพราะมันมันมันมันสูงที่สุดกับมันต่ำที่สุดนี่ไอสูงที่สุดกับต่ำที่สุดนะะมันจะอยู่ต่ำกว่าช่างมันเต่มันอยู่ที่สุดนะมันจะสูงกว่าจริงแต่มันสูงอยู่ที่สุดของสูงอะ สองอย่างนี้มารวมกับกันแยกกันไม่ออกกนันเลยเหมือนบ้ากับพระอหรหันต์นี่เหมือนกันกี่เยอะแต่ว่ามันมีรักษณะเหมือนกันแต่ว่ามีคุณธรรมต่างกันอืนะพระอดิจเจ้าทั้งหลายท่านถึงที่สุดแล้วทั้งเห็นถึงอารมณ์ทั้งหลายท่านก็ยิ้มในใจของท่านเท่านั้นเอยิ้มในใจของเราบ้าก็ถูกเขาว่าก็ยิ้มเหมือนกัน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 ก็เลยไป็นพระอาหารอยู่นั่นแล้วมันเป็นมาจากคลั่งกุทธกาลโน้นอืมันวินมาอย่างนั้นดังนั้นก็เพราะเราไม่รู้จักธรรมะอันแท้จริงดังนั้นพระองค์ของเราจันจริยสอนให้รู้จักธรรมะอย่างให้รู้จักผลธรมะทุกอย่างอย่างแท้จริงบารมุสมันเป็นยังไงมังคุดมันเป็นยังไงลาไยมันเป็นยังไงอะไรมันเป็นยังไงไม่ให้รู้จักรู้จักผลธรรมะรู้จักทั้งหมด เเรารู้จักมาแล้ว ก, ก็เอาคนละไม้ทั้งหลายนั่นมารวมตอนนี้แต่กล้าอันเดียวกันอมท่านนั้นเนี่ยให้มันปะปนกันไปหมดยังไงก็ช่างมาเถอะเราไม่ลืมไม่รู้ไม่ลืมเพราะเราจําได้แน่นอนด้วยจะไปชี้ว่าไอ้ไอรังสร์มันเป็นลํำไยล้วก็รู้จักแต่ว่ามันเยอะไปเราคนว่าอย่างนั้นแต่ว่าเราเฉยรู้เวลาลำไยเป็นบางคุดหรือจะลำไยเป็นรังส่าเราก็รู้จัก นะแต่ไม่ทวงแต่ไม่ทวงอันนี้เปรียบกับว่าโลกสมมติเดี๋ยวเนี้ยเขาก็พูดกันอย่างนั้นอนคาสอนของโลกเนี่ยไอ้เมื่อเขาถึงจิตของพระองค์แล้วเป็นของปลอมทั้ง น, นั้ น, น, นมันเป็นของปลอมทั้ง น, นั้นในคําสอนของพระอริยบุคคลเมื่อเขาไปถึงจิตของผู้ตุโธนแล้วก็เป็นของปลอมเหมือนกันยังงั้นมันจึงว่าคนได้อย่างนะมันพูดยากเหมือนกันนี่ อคำสอนของท่านอืมันไม่ไม่ค่อยเข้ากั น, น <S <S ไม่ค่อยเข้ากันอย่างนั้นพวกเราเป็นคนระบุตรุกหลานจียงปียน า, ามันยากมันปีจยนาลำบากเกินอืมย่างเรามาทําบุญกันยอย่างนี้อยากจะริญบุญแหมทําบุญแต่ข้าพเจก็เป็นไข้เป็นโรคไม่หยุดไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจโลกติดต่อกันบุญท่านก็ไปทําอยู่ด้วยด้วยไม่แช่ว่าจะมาแก้บุญตรงนี้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 ทำเพื่อไม่ให้มันมีทุกข์ให้มันเบามันบรรเทาทุกข์มันค่อยๆหมดไปมันเท่าทุกข์ถ้าทำบุญให้บรรเทาทุกข์มันต้องทำบุญด้วยทำกุศลนรือทำด้วยถ้าไม่เอากุศลหรือทำก็ไม่มีปัญญาบุญอย่างเดียวเหมือนเนื้อกับปลาที่มันสดๆเอาทิ้งไว้เฉยๆมันก็เน่าเท่านั้นแหละเนอะนี่อาศัยเกลือเป็นอยู่เนื้อหรือปลานั้นมีอายุไปนาน นะเอรียกเข้าตู้เย็นซะอย่างนี้มันเป็นเสอย่างนั้นปัญญานี้ท่านจึงบอกว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนัตถิตันหาสมานเทยแม่น้ําเสมอด้วยตันหาไม่มีคํานี้ยันกันเลยยันกัน ร้อยเปอร์เซ็นเท่ากันเลยตรงนี้ก็จริงอย่างนั้นนี่ไอความอยากนี่ไม่มีจบไม่มีจบตัญหาคือความอยากนี่ยังงั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าการทำก็ทำเถอะอให้มันเป็นตัญหาการกินก็กินเถอะอให้มันเป็นตัญหาการดูก็ดูไปเถอะ ย่าให้มันเป็นตัญหาอยู่ในโลกนี้ก็อยู่ไปเถอะให้มันรู้จักโลกให้มันเป็นตันหาเพื่อทำโดยการปล่อยวางมันแค่นั่นก็อยู่ตรงนั้นเลยในคิดเสมอว่าเรามีช้อนอันหนึ่งเอาไปทาไมช้อนเอาไว้ตักแกงซดก็ไปนะแต่ว่าเราไม่ทานช้อนใช่ไหมต่เอาช้อนเข้าในปากอยู่แต่เราไม่ทานช้อนหรอกทานแกง ทานนก็เก็บช้อนทำไมาอีกอืมถ้ามีคนมาถามว่าเก็บช้อนไปทําไมเก็บไปซดแกงไม่ใช่คุณกินช้อนที่นี่เขาจะมาว่า ว, ว่าก็ช่างเขาแต่ความจริงเรารู้จักมาช้อนไม่ใช่ของบริโภคอย่างนี้เรารู้เราอย่างนี้เขาจะว่าเราเอาช้อนไปซดแกงเท่าไหรไม่ผ่านช้อนเท่าไรแล้วก็เฉยสบายนี่คืออย่างวันที่เรารู้อย่างชัดเจน มีเรามีอยู่ในการปล่อยวางแล้วก็ใช่ช้อนของเราเรื่อยๆไปฮะเรื่อขันตักน้ำล้วเนี่ยโองน้ำอย่างหนึ่งน้ำอย่างหนึ่งขันตักน้ำอย่างสามอย่างที่ก็ตัวเราเนี่ยแต่วัาหนไ่งเราจะต้องดื่มน้ำดื่มน้ำจะต้องเอาขันไปตักแต่ไม่ใช่ว่าเราไปทานขันเนี่ยแต่เราเก็บขันน่้นไว้โดยการปล่อยวางที่ไหว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 เรียนมันก็ล้มนะอีกไม่กี่ปีมันก็ล้มนะไม่อาศัยตัวอันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องสมมุติชอนกันสมมุติมันชอนสมมุติกันก็ต้องเรียกตามภาษาสมมุติคนเราเนีธรรมะเรียกว่าต้นอืมตนเพื่อให้มันเป็นภาษาเฉยๆไอ้ความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าธรรมารู้ธรรมะให้มันจบอะ้วไม่มีอะไรจะเหตุเป็นเหตุทุกเกิดเป็นมาอะไรมันเป็นคนได้อย่างละอย่างอย่ามันเกี่ยวพันกัน แต่เราจับเอามาเกี่ยวพันกันใช่เราก็ไปยุ่งกับเขาใช่เราก็ไปยุ่งกับเขาใช่ไอความไปทิ้งสิ่งทั้งนั้นไม่ยุ่งอ่ะอย่างที่ว่ามันก้อนหินก้อนนั้นมันทิ้งอยู่อย่างเงี้ยไม่ยุ่งกับเราแล้ว<ะ>มันจะยุ่งกับเราเมื่อเราอยากจะได้ก้อนหินก้อนนั้นเท่านั้นเนี่ยนะไอะตัวก้อนหินก้อนนั้นมันไม่มีอะไรแนละ้วมันก็อยู่เป็นธรรมชาติอย่างนั้นนี่นี่เมื่อความคิดอยากจะได้ก้อนหินก้อนนั้นคือมากับปยชนมันกนหนักเอาทีมันหนักไปมันหนักเดี๋ยวนี้ยมักกระยุกวันเนี้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 ไอ้ถ้วยมันก็แตกก็เฉยเยถ้ามันไม่แตกมันก็เฉยเอยู่นี่น่ะมันไม่น่าจะเป็นทุกข์อย่างนั้นเนี่ยเห็มื่อคนได้อย่างกันแต่เรามันถ้วยเรามันแตกเกิดทุกข์นี่เพราะอะไรมันเห็นชัดอยู่อย่างนี้นะพันธะแยกบอกอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเรามายุ่งกับมันมันก็ไม่มีอะไรกับเราก็หมดเรื่องกันเท่านั้นเนี่ยยังไงโยมมีจานมีมีจานมากมากมีถ้วยมากๆากเนี่ยอยู่ในบ้านก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นอืมนะ อืแต่ก็บอกลูกนะบอกให้มันระวังให้มันเช็ดให้มันสะอาดให้มันเก็บให้ดีกลัวมันจะแตกสอนลูก ube, ต้องสอนอย่างนั้นอย่าไปสอนมาช่างมันจะลูกมันจะแตกวันนี้ก็ช่างมันเธอไม่ใช่ของเราหรอกไม่มีถ้วยใส่แจงนะมันจะหมดนะนี่เรื่องสอนคนต้องสอนมาอย่างนี้มันเป็นคนในเรื่องจําเป็นทจะต้องสอนอย่างนั้นออืนี่จะต้องสอนอย่างนั้นแ้้วควรระวังนะลูกนะเก็บไปให้ดีแล้วมันจะแตกเลยเนี่ยออื ดุมันอยู่เรื่อยๆแต่เราพูดอย่างใจอย่างนะถ้ามันแตกเพี้ยจริง ๆ, ๆนั่นและเราไม่ต้องว่าอะไรมันแต่ว่ามันเจ็บๆไปเรื่อยๆมันระวังไว้อย่างงั้นไม่มีไม่มีเงินติดเจ็บชื้ออะไรมาใช้มันหมดไปนะี้คือบอกให้คนปฏิบัติมุ่งทำรร ม, มุ่งมีนายอย่างนี้ถ้าไปสอนอย่างธรรมะสูงๆอย่างผู้ใหญ่กระท้วยวในนี้น้ะในว่าหมดแตกหมดไม่มีใครล่างมันน็อกนี่มันเป็นเรื่องของอย่างนี้ อย่างนั้นพระพุทธเจ้าแต่ฟังธรรมะจะเข้าใจผู้รู้จักธรรมะไม่ใจ่ผู้ที่เกลียดขานต้องเป็นคนฉลาดจะ ต, ต้องเป็นคนขยนันอืเป็นคนขยันหมันเทียรแปลว่าขยันพูดขยนันรกระทำกระทำโดยการปล่อยวางโดยการปล่อยวางทํำในความสงบระงับอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าไอ้ทํางานมันก็สบายทําโน่นทำนี่มันก็สบาย ที่มันเป็นสมาชีวะมันก็สบายถึงแม้มันหนักหน่อยมันก็สบายเพราะโทษต ร, ตรงนั้นไม่มีอย่างนี้อืทิฏฐิคือความเห็นมานะคือความไปยึดไว้สองอย่างนี้มันเกาะกันทิฏฐินี่พระพุทธเจ้าไม่ต้องไม่ต้องอะไรแล้วดูที่ในใจของเราเห็นไหมมันความเห็นวันหนึ่งมันเกิดยังไงบ้างไหมที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราตามดูได้ไหมนะเนี่ย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 อย่างนี้เป็นต้นมันก็ลาบากกันยังไม่เข้าใจธรรมะอือย่างพระพุทธองค์ท่านสอนว่เออย่างคนเราเนี่ยบ้าถ้าวไปทำทําสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเนี่งตายไม่ได้เกิดหรอกเสียใจสแสดงตกใจกลัวจะไม่ได้เกิดไอความจริงที่พระพุทธเจ้าท่จนสอนว่าอยาให้มาเกิดนัแสดงมันดีถ้าเราไม่ได้เกิดแล้วกลัวจะไม่เห็นหน้าลูกหน้าหลานจะไปอยู่อะไรไนีย่ยวุ่นขึ้นมาเลยเนี่ย เราไม่คิดด้วยที่เราทุกทุกวันนี่เพราะพรเราเกิดมาเห็นไหมพอเราเกิดมามันจึงมีทุกเกิดขึ้นมานี่อืมชาติทุกสราธิทุกปยาธิทุกเพราะความเกิดมาอนี่ยากว่าคนเราบางคนนะคิดว่ามันบาปไม่รู้จะผุดจะเกิดแล้วนี่มันก็เขาแง่ประพุทธเจ้าสอนว่าไม่ให้เกิดนะมันเป็นเชอย่างนั้นอืมทีนี้ไอไอความเกิดนี่คือคนมันอยากจะเกิดมา จะเกิดมาแล้วมาใหเรามาใหเราเป็นโลกเป็นภยัยใหเราอยู่สบายอายุาให้ยืนยืนมันมันคิดไปใช่อย่างนั้นเอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยนั่นแหละเหตุตายคือเหตุเกิดนั่นแหละที่มันเกิดมานั้นแหละคือสมักตายแล้วอย่างเนี้ยอย่างวัตถุที่เรายังไม่มีมาในมือเราเดี๋ยวนี้วัตถุเสียงหาได้มาเป็นตัวคนเดียวนี้แหละมันจะแตกแล้วมันจะหายแล้วเพราะอะไรเพราะมันมีอยู่นี่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 เมื่อมันเกิดมาแล้วก็นั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าอยากจะให้มันพ้นจากความเกิดนั่นแหละแต่ยังไงแต่ยังไงมันก็อยากจะเกิดขึ้นมาอยู่นะมันอดไม่ได้ถ้าถ้าเกิดขึ้นมาแล้วมีอะไรบ้างไหมน่ะมีอะไรบ้างไหมมัมมนแสนทุกข์แสนยากแสนลาบากอะไรสารพัดอย่างเราก็ยังไม่เห็นโทษมันอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงก็ไม่รู้จักนะไม่เห็นโทษมันทําไมที่๋เห็นโทษมันนะ เราจะต้องประพฤะติปฏิบัติพิจารณาให้มันเข้ารูปของธรรมะของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้น่ะผู้ศรัทธททาทั้งหลายยังไม่เห็นพร้อมกับพระพุทธเจ้านะไม่เห็นพร้อมนะอเพศไปก็ขัดกันไปด้วยใขัดใจอย่างกระตายไม่เกิดอย่างนี้เนี่ยคือมันไม่ให้เกิดมาเนะี่ยถ้ามันมีละมันมันจะถีบคําสอนของท่านที่อที่สุดของท่านมานะความยึดไว้นะ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 เป็นผู้เสมอเขาสจำกันตัวว่าเสมอเขาอันนี้ก็ยังไม่ใช่อย่อีกเป็นผู้เสมอกวเขาจำกันตัวว่าเร็วกว่าเขาอันนี้ก็ไม่ใช่อีกเป็นผู้ี่เร็ยวกว่าเขาจำกันตัวว่าดีกว่าเขาอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นผู้เร็วกว่าเขาจำกันตัวว่าเสมอเขาอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นผู้เร็วกว่าเขาจำกันตัวว่าเร็วกว่าเขาอันนี้ก็ยังไม่ใช่อีกเอาอะไรกันไม่ที่นี่ตรงไหนที่เราจะเอาไปไหมนี่เราเรามาดูถ้ามาดูทะ เหตุว่าท่านเพงเห็นว่าอันนี้มีไม่มีมีไม่มีจะให้มันมีมีให้มันมีไม่มีมีบังกลับไม่มีอย่างนี้อืมก็เรียกว่ามันหมดนั่นแหละคือเรียกว่ามันหมดใลยมันหมดมานาเก้าทั้งหลายท่านในทิ่งมันจะแทนมทิ่งมันจะออเอาอะไรคือไม่มีอะไรถ้ามีอะไรอยู่มันก็ยังมีอะไรอยู่นั่นเองแหละอันนี้พูดถึงกี่สูงมันนะอืม แต่ว่าพูดถึงที่ไอ้คนเราอยากจะมีความสุขอยากจะร่ําจะรวยเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่ามันไม่พ้นทุกข์คือบุญอย่างงั้นจะมาสร้างบุนไปด้วยกระพิจารณาไปด้วยคือกุศลคือปัญญานะเพ่จะทําลายมันอีทีมันคล้ายๆกับอีทีเลขละมันมีคูณมันมีบวกมันมีลบมันมีหารมันจึงจะได้จํานวนมันที่เราชอบใจตามจํานวนของเลขนะอันนี้เราไม่เอางั้นที่มันมีทีคูณอย่างเดียวไม่มีทีใส่กันนี้ไหมล่ะ วิธีคูนกับวิธีบวกรวมกันเข้าไปเรื่อยๆวิธีลบไม่มีวิธีแบ่งก็ไม่เคยจะมีเช่นเยวนะถ้ามีวิธีแบ่งมันก็เบามีวิธีลบมันก็เบานีมันมีวิธีบวกก็วิธีคูนมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เท่านั้นเองนะเป็นเกษตอกะกลับมาตัวหนเป็นคนที่เห็นแก่ตัวอ่ามันเป็นไปอย่างนั้นเอ่ยอย่างนั้นการกระทำบุญกุศลนี้เห่ยมันจึงมีสองคำกุศลคือทําไปให้มีความฉลาดขึ้นอืม มีความฉลาดขึ้นให้มีความรู้รอบข้อบในสิ่งที่เราได้มานั้นอืให้รู้จักที่หมายครอบครัวของเราเนี่ยเราได้กันมาครอบครัวนี่จะต้องมีปัญญาสามารถที่รักษาครอบครัวของเราเนี้ให้มันคุ้มกลับไปบ้านเนี่ยถ้าสาวมาบุญที่ไหนไม่รู้เรื่องกันเนี่ยไม่รู้บุญถึงไปกราบพระยายไปกราบพระหลานและแม่กราบไปกราบพระพระที่ไหนตอบหลานนี่นะ บุญนี่ก็ตอบไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่รู้จักบุญนั่นเองทำไปทาไปเพื่อทำากันไปเรื่อยๆไปอย่างั้นอันนั้นเราเป็นพุทธบริษัทที่ฝึกหัดอันนี้ย่าให้มันหลงเหมือนผลไามาใ้ในตะกร้าหลายจะมีก็ช่างมันเถอะจะไปเทรวมๆกันเป็นกองๆเราก็ไม่หลงหรอกผู้ศึกษาในธรรมะของพระพุทธเจ้าของเรารู้เรื่องตามความเป็นจริงแล้วไม่หลง มันจะเป็นไปยังไงก็ไม่รู้เหมือนเรารู้จักขนไม้ในะนาชนิดอารมตะก้าเรียกันมันจะทักต้นอยู่กับช่างมันเถอะเรารู้มันชัดเจนแล้วผลอะไรตัวใดเรารู้เราขี้ถูกตรงนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจในธรรมะของหลักพุทธศาสนาแล้วตัวอย่างนั้นใครจะพูดกันไปตรงไห น, นก็ช่างมันเถอะนะ เ, เรารู้จักอยู่แล้วในทางพุทธศาสนามันก็ผลขนไม้ อมันจะทับกันอยู่กี่ชั้นก็จ้งมันเถอะแล้วรั่วผลเงาะเป็นเงาะผลลำไยเป็นลำไยรังส่ามันเป็นรังส่ามันนี่มันไม่หลงอย่างนั้นอันนี้สูตรธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านสอนมาเพื่อไม่ให้หลงอย่างนั้นไม่หลงนถึงแม้จะความดีมาก็ยังไม่หลงดีอีกถึงแม้ความชั่วมันเกิดขึ้นมาก็ยังไม่หลงชั่วอีกเนี่ยมันรู้ไปถึงขนาดนั้นแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนให้รู้จักข้อประพฤติธปฏิบัติ ในใจของเจ้าของไอ้ความจริงจริงการประพฤติปฏิบัตินี่ไอ้ความรู้อันนี้ไอ้มันเกิดจากจิตบริสุทธ์นั่นอย่างหนึ่งมันเกิดด้วยสัญญานั่นอย่างหนึ่งมันจางกันลายนี่มันเอาเข้ากันไม่ได้มันของบริสุทธ์กับของไม่บริสุทธ์นี่มันเข้ากันไม่ได้นี่ปนกันไม่ได้อืมไอ้ธรรมะที่มนเกิดมาจากจิตนั่นน่ะมันก็แค่ค่ายกรเดียวว่าตาน้ำ ืตาน้ําที่มันซึมทราบมามันแห้งไม่ได้มันไหลเพรมันอยู่อย่างนั้นแต่ความรู้ตามสัญญาของเราที่มาคกล้น้ําในโอก๊กหมดน้ําฝนแล้วก็แห้งเท่านั้นแหละ น, นี่ก็เป็นอย่างนี้แต่เรื่องจิตของเราที่รู้ธรรมะที่บรรลุธรรมะแต่ว่าคนเราทุกวันนี้ว่าบรรลุธรรมะยังก็กลัวแล้วเอ๊บะบคํานี้มันสูงไปชะละนะบนรรลุธรรมะนี่มันสูงไปแค่เนี้ยไม่ค่อยอยากจะพูดหรอกถ้าใครพูดจะคนจะแข่งจะแข่งในใจธรรมะ ลองไปพูดเนี่ยกับในวันชั้นบรรดุธรรมะแล้วคนตาตรึงเลยเดียวเนี่บรรดุธรรมะในความเป็นจริงคํานี้เป็นของสมมุติไม่ใช่ว่ามันสูงมันต่ำหรอกอย่างพวกญาติโยมทางหลายมาวัดหลวงปู่วันนี้เียกว่าบรรดุวัดหลองปู่วันนี้เอแปลกอะไรกันยังมาถึงวัดหลองปู่วันนี้ก็ได้รู้วัดหลองปู่ก็ได้ถ้าพูดภาษาธรรมะเนี่ยบรรดุวัดหลองปู่ก็ได้นะ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 ท่านผู้สอนเนประชุมชนประพฤติชอบโดยตายวาจาใจที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าดูตรงนี้ดิงั้นกว่าเรื่อยทหมเนี่ยดูไปดิเนี่ยแต่เราคนเดียวไม่แม้ฉันเกิดทรมพระพุทธเจ้าฉันก็จะไปแล้วขนาดนี้เนี่ยนึกว่าพระพุทเจ้าองค์ น, นั้นผ่านแล้วนะความเป็นจริงสิ่งที่เมื่อเราเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้า อันนี้ก็ฟังยากนะคนที่ยากนะเนี่ยเราเห็นพระพุทธเจ้าเราก็เห็นธรรมะเนี่ยเมื่อเราเห็นธรรมะเห็นพระธรรมเราก็เห็นพระพุทธเห็นพระพุทธก็เห็นพระธรรมเห็นพระพุทธพระธรรมเราก็เห็นพระสงฆ์อืันนี้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเล้ให้พระพุทธอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจให้มัเห็นชัดอันนั้นเราจับทันไหมชัดเฉยเยเนี่ยแต่พระพุทธอยู่ที่ใจของข้า พอฉันยพระทำอยู่ที่ใจของกาประสงค์อยู่ที่ใจนั่นแต่การประพฤติมันไม่เรียบร้อยนะไม่สมกับว่าประพฤติอยู่ที่ใจไม่สมกับว่าประทำอยู่ที่ใจประสงค์อยู่ที่ใจไอ้คือจิตมันเป็นคนที่จะรู้จักธรรมะไอ้ท่านนีกว่าผู้รู้พระพุทธองค์ที่ตรัดไปแล้วนเนี่ยก็ตัดธรรมะองค์ธรรมกัตรู้นี่เด็ดกัตถ ร, รู้นี่ท่านไม่เอาไปแล้วท่านก็ทิ้งไปในนี้แหละแต่พูดง่ายๆอย่างพวกครูเราเน่ะครูโรงเรียนน่เนี่ย ไม่ได้เป็นครูว่าแต่กำเนิด น, นะมาเรียนดีชาครูที่ไม่ไเป็นครูกันอืมในสอนโรงเรียนซะได้เงินรับเงินเดือนกันรับอยู่เป็นนานก็เลยตายไปซะเลยตายไปตายจากครูไปใช่อืมถ้าหาพูดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าไอคไานะ้ครูนั่นยังไม่ตายนะครูนั้นยังไม่ตายคือคนนุณธรรมที่ทําครูนั่นให้เป็นครูนั่นยังอยู่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 แม่ก่อนก็เป็นชี้ธาตุราษกุมารพระพูดมาถึงตรงนี้ก็เหมือนกันกับเรานั่นเองเนี่ยเราก็เป็นตาสีตาสาตามีตมาอยู่อย่างงั้นเนี่ยนะถ้าเรามาบรรลุถึงธรรมมันแท้จริงแล้วน่ะมันก็จะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวกันนั่นเองไม่แปรกันหรอกอย่างนั้นให้ญาติโยมทั้งหลายว่าให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่นะออืเข้าใจสวรรค์นี้ว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่เราทําที่ไหนที่ไหนคือมันเป็นสัจธรรมแล้วเราทําชั่วอยู่ที่นี่ ไม่เป็นไรถ้าไม่มีใครเห็นจะไปว่านะพระพุทธเจ้าเห็นนะ่ะออท่านยังอยู่ทุกวันนี้ยังพยายามคอยจะประคับประคองพวกเราเดินทางให้มันถูกต้องอยู่เสมอแต่เราไม่เห็นแต่เราไม่ดูเรื่องอย่างนั้นผู้ปฏิบัติแล้วเนะี่ยจะทําทความดีความชัว่วทีท่านไม่ได้สงสัยแล้วเาว่าจะมีพยานอยู่แล้วไม่ได้สงสัยจะทำชั่วที่ไหนมันก็มีแล้วทำไมไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีใครเห็นกว่าเร า, าเห็นเรานาะเออนะ่ะ ไปทำชั่วที่ไหนไม่มีใครเห็นไม่มีนะไม่มีใครเห็นก็เราเห็นเราล่ะอย่างนี้ยังเล่นทำชั่วที่ไหนทำดีที่ไหนไม่พ้นจะอยู่กัากรรมมันรู้ตามก็ความจริงน่ะคือความจริงเนในการกระทำมันมีอยู่แล้วนะพระพุทธเจ้าก็มาตัดคำตัดจะรู้ไอ้ความจริงอันนี้ไอ้ความจริงอันนี้จริงพระพุทธเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในโลกอันนี้ถ้าใครทุกคนเธอมาประพฤติปฏิบัติบรรลุคุณธรรมคือความจริงเจนนี้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 ทีเราทำไปนี้มันถูกความจริงหี่ผิดความจริงมันก็ถูกก็ผิดข้งมันอยู่นั่นก็เดียกว่าพระพุทธเจ้าโดยนามประธรรมยังมีอยู่อืฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติด้านท่านจกิ่งขรลบารลบทาไมก็ท่านเห็นพระพุทธเจ้าอยู่นั่น<อ>นั่งอยู่นี้ก็เหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้านี่เดินก็เหมือนพุทธเจ้าต่อหน้านี่ไปไม่ได้แล้วนั่นท่านเห็นประจักษ์ในใจของท่านเป็นกิ่งขรลบแต่พุทธประธรรมประสองค์อยู่ สม่ำเสมอเนี่นไม่จืดจางออย่างนี้ไม่เลยครับ ก, ก็เพราะท่านเห็นว่าอยู่ในใจของท่านอยู่แล้วมันเห็นอยู่อย่างนี้ว่ามันไม่หายไปตรงไหนเห็นอย่างนี้ก็เรียกเราเห็นธรรมะเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้านี่มันเต็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นจริงว่าเมื่อเราเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะเช่นนั้นไปนั่งที่ไหนก็ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกเวลาและเอาไป เดินอยู่เราก็ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าอยู่นอนก็ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าอยู่อันนี้อต า, าตมาศีษะจะแตกไปฟังธรรมท่านอาจารย์มั่นเออแล้วท่านปฏิวัติไปเถอะนี่ยไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าเรานั่งอยู่ในรถต้มต้ น, ตนไม้ก่อฟังธรรมท่านอยู่อย่างนั้นนั่งก็นอนนอนก็ฟังธรรมนั่งก็ฟังธรรมอะไรอยู่ออาตมาคิดไม่ได้เลยคืนไม่ใช่ไม่ใช่ขอคิดเอา นะไม่ใช่ของคิดอันนี่ยมันมันมันมันตัวเกิดมาจากความบริสุทธิ์อืนะไอ้จําของคันท่านเนี่ยจะพิจารณาไงไม่ได้อย่างนี้อไอ้ความเป็นจริงคือมันเห็นธรรมะนต่เองนะไม่ใช่อื่นไกลแล้วมันเป็นธรรมะจะเป็นต้นไม้จะเป็นภูเขาจะเป็นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่มันเป็นธรรมะทุกอย่างดังนั้นอาตมาท่านไอ้ธรรมะอยู่ที่ไหนไอ้ธรรมะที่บ่าไม่มีธรรมะน่นมันไม่มีนี่มันเป็นธรรมะธรรมะคือธรรมชาติ มันเป็นอยู่อย่างนั้นออธรรมชาติอันนั้นมันก็เป็นธรรมชาติของมันเกิดดับของมันอยู่อย่างนั้นนะถ้าหาว่าเราจะแก้ธรรมชาติฝึกธรรมชาติอันนั้นอย่างกายของเราทุกวันนี่จิตใจของเรามันเป็นธรรมชาติเี่ยอะมันมีการกินมันมีการดับมันมีการนอนเป็นธรรมดาของมันเหมือนกับษัตริย์ก็ใส่สันนั้นเลยแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่รู้ภาษากันมันเป็นอภิปักษ์สัตว์นะสั่งสอนไม่ได้มันสมองมันช้าเกินไป ไ <ith> ม่เหมือนมนุษย์เรามนุษย์เรามันมันสนองมันเร็วมันไวนี่มันไวแต่เรามาพูดอันหนึง่งเือท่านเจียงจั่นเป็นพรบผัสสัตว์ควรกับสะดุทําได้ของเราอย่างร่างกายหรื จ, จิตใจของเราเนี่ยอมันจะเห็นชั่วเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เห็นมามีครูบาอาจารย์มาสอนมันก็นค่คอยๆเข้าใจมันไวค่อยๆเข้าใจมันไวมันไวเข้าใจมันง่ายมันง่ายกว่าสัตว์อย่างอื่นมันง่ายกว่าสัตว์ิราฉานนี่ อืสัตว์ป่ามันเป็นสัตว์บ้านเป็นสัตว์มนุษย์อืมสัตว์มนุษย์สัตว์มนุษย์นี่มันก็หายากนะอืมหายากออืมืมมคำสอนของพระตลอดจะเป็นมนุษย์นี่มันก็ยากนี่ก็คิดยากนะ่ะอืมคิดไปไปถึงเนาะคือคือยังไม่รู้จักมนุษย์ที่แท้จริงอย่างนี้ถ้าเรามอ ง, ม, องมนุษย์จะเกิดยากไหม เกิดทีละสองก็ยังมีเลยถ้องก็คิดไปอย่างนั้ น, น, นก็ไม่ยากเลยมนุษย์ซึ่งไม่มีคุณธรรมอย่างนั้นมันก็เป็นมนุษย์แบบหนึ่งมันยังไม่เป็นมนุษย์เอาชื่อก็มาโอนขึ้นมาเป็นมนุษย์เฉยๆมันเป็นมนุษย์เศรษฐี ร, ราชาโนอย่างหนึ่งเหมือนกับเศรษฐีราชาอย่างนั้นมนุษย์ที่จะเกิดมาในคุณธรรมที่เป็นมนุษย์เนี่ยแล้วเกิดมาเป็นเด็กไม่ดูเรื่องของมนุษย์ ไม่รู้จักว่าพึ네่ปฏิบัต <Ash land> <terms> ิอย anyway. ่างไรไม่รู้คุณธรรมของมนุษย์ไม่รู้คุณสมบัติของมนุษย์เมื่อโตมาแล้วเราฟังพ่อแม่คนสอนครูบาอาจารย์เราค่อยๆรู้ขึ้นมาก็เลยมีคุณธรรมเกิดขึ้นมาแล้วก็เลยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มันแปลกกันอย่างนั้นนี่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คืออะไรเมื่อมันเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือเรียกว่ามนุษย์เพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เนี่ยเนี่ยมันเกิดยากใครจะติดตามมันเกิดยากมันเกิดยากอย่างนี้ ศีลธรรมนี่ใครจะต้องไปปฏิบัติวันญัติัตยากมันถูกอยู่ที่บัญญัิบััติยากเช่นง่ายๆ่ายง่ายง่ายง่ายงถึง เ, เวรทั้งห้าประการเนี่ยสินห้าไอที่พวกเราพุทธบริษัทตั้งหลายนเนี่ยเน่ยนับทานกันอยู่ทากันอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือคุณสมบัติของมนุษย์แท้แท้เนะ ถ้าใครมีศีลห้าในใจของคนของตนทุกๆกคนอย่างนั้น่ะไม่ต้องมีอะไรแล้วมันหมดเดือดวัชีระธรรมถึงแม้ว่ามันไม่พ้นทุกเป็นต้นก็ อ, อยู่ในความสมงบระงับเป็นสมาชีวะในโลกก็ออยังไม่เบียดเบียนขึ้นกันในกันเนี้ยอื ะ, ะถึงมาเป็นมนุษย์อยู่เป็นสมบัติของมนุษย์แต่มันจะมีเกิดมีตายก็จริงหรอกแต่ว่าเกิดมาก็อยู่ในความสบายตายก็อยู่ในความสบายมนันรู้จักอย่างนี้ ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนั้นเป็นโลกมนุษย์แท้แท้ที่สมบูรณ์เนี่ยมันเป็นไซสอย่างนั้นมนุษย์ที่มันเป็นมนุษย์สมบูรณ์มีคนน่าสมบัติขึ้นมาที่เราศึกษามานี่ก็เรียกว่าเราเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นี่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มาก่อนมนุษย์จะหายากนะดูทว่าไอ้คนเราจะมีมีสินห้าสินห้าประการเนี่ยมันจะเป็นยังไง มันจะมีไหมเรากำหนดดูก็ได้ในบ้านเราในเมืองเราในชนบทในกลุ่มเรามีไห ม, มบางคนก็จะตอบว่าไม่มีมบางคนก็มีแต่น้อยอย่างนี้ อ, อันนี้มันเป็นหลักฐานแล้วจะมองมองดูก็ได้ว่ามันจะเกิดประโยชน์อย่างไรเรามองดูก็ได้แหละมันเห็นผลประโยชน์มันทุกส่วนเลยทีเดียวสิน้าประการนี้เนี่ยไม่ต่อมาก มต้งม้อะไรถ้าใครมีคนมารักษาสีนหน้าประการให้มีในใจอย่างแจ่มใสของเราเถอะคนนั่นจะสบายไม่มีใครรู้จักก็สบายใจสว่างสบายนึกไปข้างหลังที่เป็นอดีตก็สบายใจเพราะเราไม่ได้ทำอะไรที่ยุ่งเพราะการกระทำบาปทั้งหลายนี่มื่อนึกมาไที่ไหนก็สบายจะยืนอยู่นึกขึ้นมาได้ก็สบายจะนอนอยู่มืนึกขึ้นมาได้ก็สบายจนจะตายนึกขึ้นมาได้เนี่ยก็สบาย กำไดที่ทําไปแล้วภายหลังนึกไปมันเดือดร้อนกรรมนั้นไม่ดีนี่มันติดตามอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นวัดประโคนนี่นะ่ะโยมมาเนี่ยโยมายโยมาได้หลายคนนี่นะมีคนใดคนหนึ่งเช่นเนี่ยมามาต่อยเอาเสียรพระวัดประโคนนี่ไปใช่นะสมมติหรอกใครไม่รู้หรอกรูคนเดียวจะคนที่ทํานะวันนี้ก็มาทอดปลาปาด้วยกันก็มามองเห็นเสียรพระหัดมันก็ไม่สบายอยู่นั่นนะ่ะนะไม่สบายคนเดียวเท่านั้นนะ่ะคนที่รู้จักกันนี่ย ไอ้คนที่ไม่รู้เขาก็ไม่เป็นอะไรของทั้รู้แต่คนที่ทําไม่สบายแต่คนที่ทํานี่แหละที่แอบ ก, กรรมชั่วที่ทําแล้วภายหลังนึกได้เรือดตอนกรรมนั้นไม่ดีเสแล้วหรือเราเอาทางองค์พระมาถวายไปในวัดปวคงหรือว่าใดบัดหนึ่งด้วยศรัทธาของเราซะเมื่อ ม, มาทําบุญอย่างนี้เลยมากราบไหว้เห็นของเราที่ได้สร้างไว้เนี่ยสบายใจแล้ว น, นี่ได้ทำไปนานเนี่ภายหลังคิดไปก็ไม่เรียดตอนสบายใจอันนี้ อันนี้เราจะรูปเป็นปัจเจกตังรู้เฉพาะตัวของเราอย่างนั้นาการกระทําบุญทุนทานทุกวันนี้กับวันกันฉันนั้นถึงแม้ว่าบารุงพุทธศาสนาเป็นเปลือกเป็นผิวอย่างที่มากันวันนี้ก็ดีนะ่ยแต่ว่ามันก็เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งอนะละบางแห่งไปเท่าไรการกระทําบุญทุนทานน่เป็นเปลือกเปลือ ก, เ ป, อ ก, เ, ปอกเปลือกมันกระดีเหมือนกันน่ะไอ้ต้นไม้ถ้าไม่มีเปลือกหุ้มมันก็ตายเหมือนกันเนี่ยอย่าไปว่ามันน้อยนะอย่าไปว่ามันน้อย ไม่มีใบมันก็ตายไม่มีโคนมันก็ยิ่งไปกันใหญ่อ่ามันอาศัยสามเมื่ีซึ่งกันเดียกันนั่นเองเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลแล้วมันมีประโยชน์ทุกส่วนให้เราเข้าใจแต่อย่างนั้นก็เรียกว่าการกระทําบุญกันเสียเดียวการกระทำกุศลให้มันเป็นบุญให้มันเป็นกุศล็คือให้มีปัญญาอย่าทำไปโดยโมฆะทําไปอย่างเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้านั่นเองให้มีเหตุผลทํำได้ก็มันได้บุญที มันได้บุญให้มันได้บุญตรงนี้จะถามแบบกลับไปบ้านหรือไม่ไปทอดตาปาไดบุญ ไ, ไหม่ในที่ตรงไหนมันเป็นไงก็นั่งขี้แจงไงฟังกันได้บุญมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นได้นี่นี่คือความเข้าใจของเราเช่นนี้ที่การกระทำทั้งหลายแล้วมันเป็นอุบายเสอย่างนั้นในการพูดธรรมะทั้งหมดนี่ก็เป็นอุบายทั้งนั้นให้เข้าใจในที่ตรงนั้นอืมให้เข้าใจในที่ตรงนั้นอืมเป็นของสมมติ เป็นอุบายคือตัวธรรมะจริงๆมันมองเห็นไม่ได้แต่แล้วแต่ว่ามันมีอยู่เรื่องยกหยิบยกอันเดินขึ้นมาพิจารณากันเช่นว่าครูโรงเรียนสอนนักเรียนนะสมมติว่านายกมีเงินเท่านั้นเท่านเนี้ยแจะว่านายกไม่มีที่นั่นจะทำไงล่ะแก ต, ต้องเอาชอตมาเขียนเป็นตัวกระนี้สมมติว่านายกเนี่ยมันจะเป็นนายกไหมเป็นสมมติแต่นายกวิ่งไม่ได้เป็นตัวกรได้สมมุติว่านาย ก, นน ก, ไ, ก ไ, ไ ด, กไ ด, มาากได้มันมีเงินเท่านั้นก็ได้มีเงินเท่านี้ก็ได้ ือเป็นนายกอรอยสมมติแต่นายกรคนนี่สําเร็จในการสมมตุติจะใช้นายกรไปวิ่งไม่ได้เพราะมันเป็นตัวกรแล้ก็เป็นตัวกรให้เราอยู่นั้นอันนี้เรียกว่าอุบายให้เรารู้จักว่านายกรไม่มีต้องเขียนตัวกรลงไปให้มันสําเร็จประโยชน์อย่างนั้นอย่างงั้นภาษาทั้งหลายเนี่ยบางทีเราก็ฟังไม่ได้เหมือนกันมันโผนไปอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นอันนี้หลักธรรมะที่เราาบวชปฏิบัติ ถ้าเรามีสติมีสมัมปชัญญาอยู่ตรงไหนก็ทางมันเถอะบางคนก็เข้าใจว่าที่ฉันเนี่ยไม่มีเวลาจะภาวนาทําไมขายของยจัดอ่ะอขายของใล่ไมไม่ได้ภาวนาอโยงขายของโยงไปหายใจไหมหายไปจากกระเป๋าทำไมมีเวลาล่ะ้าไม่มีโอกาสหายใจล่ะทาไมไม่อึดลไมไว้เนี่ยไอการเรื่องภาวนานี่มันใช่เรื่องอื่นนั่นคือเรื่องความรู้สึกนึกคิด เราคิดว่าจะมานั่งแต่รับตายอยู่ในกลางตลาดเท่านั้นเด็กไม่ได้อย่างนั้นความรู้สึกนึกคิดการพิจารณาเนี้ให้รู้จักว่าบัดนี้เราทําอะไรอยู่เราผิดหรือไม่ไม่หรือเราถูกไม่เราสุขไม่หรือเราทุกข์ไ ม, ไม่เอาเป็นอะไรเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ที่มาการภาวนากันมาดูเรื่องเหตุผลอย่างนั้นนี่เรียกว่าเราจะทําอะไรอยู่เราก็ได้ภาวนาอยู่ได้ปฏิบัติอยู่นี่เรามีสติอยู่เราปฏิบัติอยู่อย่างนั้น รู้จักความผิดชอบเราอยู่เสมอนั่นแหละเรียกว่าการภาวนาวันนี้เราพูดผิดหรือเปล่าวันนี้เราทําผิดหรือเปล่าวันนี้เราคิดผิดหรือเปล่าอย่างนี้ถ้ามีสติอยู่แล้วก็ต้องรู้จักสิรู้จักถ้ามีสติอยู่เสมอเนี่ยเป็นต้นก็ต้องรู้จักไอ้ความรู้สึกของเรานั้นอยู่เสมอทีเดียวเนี่ยอย่างนั้นโยมท่างหลายจะพึ่งเข้าใจว่าการปฏิบัติได้จะมาบวชในวัดอย่างเดียวนะไม่ใช่อย่างนั้นการปฏิบัตินั่นก็คือการมีสติทรงตัวอยู่รู้อยู่นะ รู้สึกความผิดชอบอยู่เสมอนั่นเนี่ยแม่ในใเย็บจักรอยู่ก็ได้จะขายของอยู่ก็ได้เขาเขียนหนังสืออยู่ก็ได้เนี่ยเมื่อก่อนเท่าอารมณ์หายใจเรานั่นเองเนี่ยปฏิวัติเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะอะไรอยู่แล้วก็หายใจอยู่เนี่ยเราหายใจอยู่ด้วยเราจะทานข้าวก็หายใจเราจะนอนก็หายใจถึงแม่รับไปก็หายใจอยู่ถทำไมมีเวลาหายละนี่ทำไมนี่นี่มีเวลาหายจะทำไมมันเป็นของจําเป็นเกอะเกนินนี่ พะรบะบาโลมัมนเป็นอาหารอย as as ่างละเอียดที่สุดเป็นอาหารอย่างชนิดดีมากแต่คนเราก็ไม่ได้พิจารณาอย่างนั้นนะคงแคว่ามันในเป็นอาหารก็ได้นะในความเป็นจริงลมมันเป็นอาหารอย่างยอดะอืเราจะไม่ทานอาหารคือมสักสองนาทีก<ช>็ไม่ไหวแต่แล้วยวนะเอาสิขนมอขนมอย่างดีๆเนี่ยอาหารอย่างดีๆเนี่ยนะอีกสามชั่วโมงเราไม่ทานมันก็ได้นะวันหนึ่งวันทีก็ได้เนี่ย หกวันเจริญเก้าวันก็ยังได้เลยหาแต่ลมนี่ไม่ได้เนะขนาดนาทีหนึ่งก็เต็มทีแล้วนะ่จะไม่ไหวแล้วนี่เนื่งที่อึดใจไปที่เดินไปทีป่มันในกี่เส้นไหมนั่นแหละเราจะเดี๋ยวโอ้นะลงเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างนี้มันในความเป็นอยู่เราอย่างนี้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงจับอารมณ์ไม่หายใจกัพิจ า, า, ารณาอาอนาปานสตินี่เป็นมงกุกรรมฐาน ท่านจริงพระ า, านั่งกำหนดพิจานาลมเข้าออกนึกว่าพุทโธพุทโธคือให้รู้อันนี้รู้รู้มาลงเข้าออ ก, กททร่ททรรนนรรางาออ ก, ากายเราทุกส่วนเนี้มันอยู่ด้วยลมที่เราเดินไปเดินมามันเคลื่อนไหมโดย ล, ลมลมเป็นของที่สําคัญมากที่สุดลมเป็อาหารอันอย่างยอดทีเดียวเละน ะ, นะถึงนอนหลับอยู่ไปยังทานอาหารนี่อยู่เสมอนะไม่ทานไม่ได้ น, ะนอกจากมันตายไปแล้วแต่นนนเนี่ยต้องกระส่วนใจนี่โอ้อันนี้ลมนี่นะมันสําคัญเหมือนกันนะเรานั่งกำหนดตัหายใจเข้าออกอย่างนี้ แไอความรู้สึกนะมันสงบมันความรู้สึกเกิดอลงลมนี่ืะลมนี่มันสําคัญเยิ่งเกินเ่ะมันดีกว่ามีเงินหมื่นเงินแสนมันดีกว่ามีอะไรอะไรทั้งนั้นเนี่ยดูดิถ้ามันออกแล้วมันเข้ามาก็ตายเนี่ยเนี่ยถ้ามันเข้าไปไม่ออกเรียกกรตายเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเห็นในใกล้ๆกันมาอย่างนี้เนี่ยนะมันคือเป็นของที่มีกําลังกว่าอย่างอื่นแล้วเลยสนใจในลงแล้วก็พิจารณากำหนดตรงพิจารณานีน่ย ชุดเอาเรื่องต่างๆมารวมเป็นลมเนี่ยมีสติกับลมหายใจถอาเสมอไม่มีปัญญาหลายอย่างจะดูลมอัเดียวฉะนั้นแหละอ่านเี้กว่าลมอานาปานสตินี้เป็นมงกุฎของกรรมฐา น, นทั้งหมดเนี่ยอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจัดเียงยกมาให้เรายกกรรมฐานคือลมหายใจถออกเอาง่ายๆเพราะว่ามันมีลมทุกคนอยู่มาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมีลมทุกคนพอจะรู้สึกว่าลมเข้าออกเท่านั้นก็าำนึกจบแล้วนะ จะนอนก็นอนกําหนดไปเจอให้มีความรู้สึกจริงๆมันจะดับไปอย่างนี้ยไม่ใช่มันเป็นของยากลําบากจะรู้จักมันแล้วอย่างนั้นให้โยมทั้งหลายรู้ว่าภาวนากันเถอะทานศีลภาวนาเรื่องภาวนาเนี้มันเป็นเรื่องสําคัญเรื่องให้เราพ้นทุกข์มันติดตรงไหนมันแก้ตรงนั้นน่ยมันแน่นตรงไหนมันเอาตรงนันเน่ยออกมันสกบกบตรงไหนมันทําตรงนั้นในีมันสะอาดถ้าไม่ภาวนาจะไม่เห็นชัด มาเห็นชัดการภาวนาเนี่ยพอทําทให้มันเกิดขึ้นมันมีขึ้นจะต้องอาศัยการภาวนาจึ่งจะรู้จักธรรมะมันเป็นอะไรอย่างนั้นอันนี้แหละให้ญาติโยมทั้งหลายเข้าใจเข้าใจเรืการภาวนาการทําบุญสุนทานให้รู้จักบุญให้รู้จักกุศลให้มันเกิดประโยชน์ทําอะไรไม่ได้สงสัยถึงนั้นน่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าของเราเนะี่ยทาอะไรรู้จักถึงนั้ น, นไม่ใช่ทําปลอมไปหรอก แลอย่างนั้นวันนี้ก็ไอ้พวกธญาติโยมทั้งหลายทุกๆกท่านที่มาวันนี้ก็เรียกว่าสแสดงบุญกันได้ระเพรกุศลเข้าสแสดงกุศลด้วยใหญ่พินิษิจร า, า, ารณาอนาปานสิงธรรมกรรมาฐานไอ้กรรมฐานเนี่มันควรทําอืมจะเป็นทางโลกกว่าจริงจะเป็นทางธรรมกว่าจริงจะเป็นโยมจะเป็นฟ้าทำอมนนี้ให้เราสะอาดให้ใจเราสะอาดได้ให้เราใจเราปลอดใส่ได้ เสมอเราทำไปเราทำไปมันจะเป็นปัจดจดต่างรู้จากเฉพาะตัวเองเท่านั้นนี่ยอันนี้รา ว, วันนี้นะญาติโยมทั้งหลายก็ได้ฟังธรรมะมาพอสมควรบางทีมันก็นจะสู้ไอ้ความงงงเอาหานอนไม่ได้นะบัดนี้ก็ได้เทศนามานี้ในที่สุดสุดท้ายแหงการบรรยายธรรมะมานี้ ขออยาาโงทั้งหลายจงมีกำลังภาะระคือกำลังกายกำลังวาจากำลังใจมีศรัทธาปิยศสิติสมาธิให้เกิดปัญญาให้เชี่ยวชาญรู้ว่าอันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นกุศลแล้วไปประพิปฏิบัติตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แนะนำขําสอนมานี้ จิตของญาโยมทั้งหลายเป็นต้นก็จะกระเรื่องเกึนจากความมืดหนาสาหโหจะเป็นจิตที่ของไสอันนี้ไปทำแล้วจะเป็นปัจจบตังรู้เฉพาะเจ้าของให้ผลที่สุดนี้ขอ้วยอำนาจแห่งคุณภระสีรัตนาใจจงปกปักรักษาที่ท่านทั้งหลายที่มาแสดงบุญในวันนี้จงเป็นผู้จงให้เป็นผู้มีสุขมีสุขโดยการยืนกรีการเดินกรี การนั่งก็ดีการนอนก็ดีให้มีสุขมีสุขทุกทุกคนเถิด